ทำงานอย่างสูงทำงานเพื่อตัวทําทงานเพื่อคนอื่นเพื่อรางเกี่ยวกับาเพื่อหมทําเื่องงานเรื่องจิตใจเพราะจิตใจคนดุคนแปะเทงานอย่างสูงน่อยู่ในเนี่ยมีอะไรคนกน้บางทีอาจจะมีคนมาพกพาละหรือวนนั้นอ่ะงถูกือเหมือนเวก็ต้องการนงพร ไม่ต้องพูดกลัวมันจะจิตหายคนจะไม่เลื่อมใสคนจะไม่ศรัทธาถ้าพูดธรรมะสูงๆแล้วอ่ะคนจะเบือ่ออันนั้นนี่วัดอยู่อย่างสูงกินอย่างสูงจะ่ทำงานอย่างตับพูดเอาใจคนประจบใจคนไม่ได้รักดอกเตยเจา้าไม่สมกับที่วัดเรายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเรายอมเสียสละอวัยะเพื่อรักษาชีวิตเรายอมเสียชีวิตเพื่อรักษาสันติาไม่ได้เป็นอย่างนั้น อันนี้ที่พูดนี่ใครจะพูดจะไปก็ตามอาจจะมาพูดที่เคยฟังอาจะมาพูดอาจะมาไม่เปลี่ยนแปลงคําพูดเลยเปลี่ยนไม่ได้คําพูดนดี่เปลี่ยนไม่ได้แต่ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างวันนี้เพราะวันนี้ได้ลงทุนว่าจะเลี้ยงคนที่มาที่นี่พระเนนที่เนี่ยช่วยกันทั้งวีปัจจัยได้มาส ต, ตางค์หนึ่งสองสามรวบรวมกันเก็บไว้เพื่อจะมาทําเป็นอาหารกําลังแรงคือหลวงพ่อถาวร สงสัยพระผูกองคเด่นเป็นธรรคนนั้นจับคนนั้นจับอันนี้ทำาะไรแต่ว่าการสอนหลวงตัวเองพ <c oughs> ่อหลวงพ่อเป็นหรือวะขันธ์าเป็นนักมวยก็หรือวะค่อยๆจะเป็นแชมเปี้ยนแล้วเส็จแชมป์เปีเ้ยนแล้วขึ้นในเบทีไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไปไหว้ปูคิดนั่นที่นี่ไม่ต้องไหว้หรอเข้ามาก็ตกทันทีเลย <c oughs> อยากเป็นใครก็ตามนะแต่แต่ไม่ยอมช น, นะแต่บาดยอมแพ้ใกล้ใกล้ใกล้ทีเดียว ดังนั้นคือว่าขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติระยะเวลานไปเจ็วันนี่อย่าพูดอยพูดพูดแล้วก็ได้แต่พูดเท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่เห็นมีอะไรเนี่ย<อ>คนที่พูดม า, มากก็ไม่เห็นอะไรดีขึ้นพูด ม, มากก็ไม่เห็นอะไรเล็ร้ายเลียวลายลงไปบัดนี้เรามาตั้งการกระทําอย่างนี้หลวงพ่อทามาแล้วหลวงพ่อเป็นโยมทํามาแล้วทำมาสามพันสองปิดสองปีงแปดเดือนได้เปิดอบรมสามพัน ลงคุณรงแดงอย่างนี้แหละตลาดอย่างนี้แหละเพราะเราเป็นโยมทางอันนี้ต้องอาศัยกาลัง่คนที่ฝึกการเร็ยนด้วยครับได้อะไรอะไรต้องทำํกทำการทํายังไม่จริ ง, รงๆลองดลองดูเจ็ดวันเนี่ยมันจะเป็นงนนที่ให้พ่อเิสเนี่ยเรียวว่าเป็นการให้พอดไม่ต้องเนื้าสับคีไม่ต้องประับสิลไมต้องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมีพร้อมศินได้ว่าปกติ คือเราปกติกายปกติวาจาปกติใจคอยดูการเคลืไหวยกมือไปเอาปืนมามันคิดรู้นั่นแหลก เ, เป็นติตนเป็นศินเป็นธรรมพอแล้วแล้วก็ไม่ได้โกห ก, ไ ม, กไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ไปซกไปต่อยไม่ได้ไปฆ่าสัตวลักซึ่งเป็นศินแล้วอันนี้เรียกว่าสินเพื่อจะทาลายกิเลสแต่เรายังไม่เห็นตอนยังไม่พบเมื่อพบแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาเองมันจะเป็มตัวมันเอง ว่าตัวมันเองเป็นตัวมันเองเนี่ยเป็นเวลาใดเป็นระยะจิตใจเปลี่ยนขั้งที่สามถามมาถัดติดล้วก็ออกไปประหารสิ่งเห่นี้เขได้จิตระดับครั้นที่สามน่ยจะเห็นปรากฏชัดขึ้นมาจริงๆมันจะเรี้ยงตัวมันเข้ามาจริงๆเหมือนกับคนที่จะเข้ามาเรามันจะเลี้ยงเข้ามาเป็นแถวอย่างที่พวกท่านไปนจับอาหารเนี่ยมันจะเข้าเป็นแถวสามคนปุ๊บครับตัดออกไปเลยเนี่ยมันจะเป็น มันจะค่อยคายไปจากไปที่พูดให้ฟังตอนนี้ก่อนพอแล้วเนี่ยอ่านาถาสัพทีให้ตอนเราไปปฏิบัติโดยเอาขันไปให้คนปฏิบัติให้มันต่อเนื่องจริงๆไม่ให้มันขาดช่วงไม่ไม่ให้มันขาดระยะคือเราต้องกำหนด ท, ท, ทุกทุกวินาที น, นั้นเป็นการปฏิบัติครับและบางทีก็ต้องไปนั่งอันนั้นคุยอันนี้อันนั้นขาดแล้วไม่ต่อเนื่องเนะี่ยมันไม่เป็นลุกโต ที่หลงพ่อทำค่าวนี้คือไม่ต้องให้มีไหวพระตรวจมนและไม่ต้องมีวิทยากรมาอธิบายแล้วนี่นคือต้องการอยากให้พวกเราทุกคนปฏิบัติให้ต่อเนื่องเหมือนกับลูกโซ่ติดต่อกัน ท, ที่ทำนี่ถ้าหากวัาเราทำแล้วนี่วันนี้ทำขนาดนั้นเด็กก็ไปนั้นมานี่ไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันกินเวลาละ คิดว่าเราปฏิบัติสิบวันคนนั้นน่ะเดียวกระทาอันนั้นบ้างพูดอันนี้บ้างแล้วมาปฏิบัติบ้บางแล้วคนนึงอีกปฏิบัติเพียงวันเดียวและไม่ให้มีช่วงระยะขาดให้มันต่อเนื่องจริงๆอะไรทําพูดคิดรู้อยู่เสมอคนปฏิบัติสิบวันอาจจะไม่ฟูหรือไม่เท่าเทียมกับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติเพียงวันเดียว นั้นสุนละยาเจ็ดวันนี่ผ่านแต่ละวินาทีเดียวมันก็ผ่านไปหรือสัชั่วโมงหนึ่งผ่านไปมันไม่ต่อเนื่องแล้ก็เลยนานรู้นั้นเข้าใจการปฏิบัติอันนี้อาศัยการปฏิบัติกลมรู้อันนี้เกิดขึ้นในในในการปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นพวกกลมรู้แล้วไปคิดเอาเป็นนึกเอา ถ้าไปถามคนนั้นไปถามคนนี้นันน้ น, น, นลถความร้อนเราไม่ได้ลถความผิดผูกไม่ได้พูดง่ายๆเลยว่าลถมานะทิฐิไม่ได้คนนั้นพูดให้เราจะพอใจไม่พอใจจะมีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าคมรู้นี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพูดความจริงให้ฟังผลของการเจริญสติอันนี้ทำอย่างนี้แหละไม่ต้องทำอะไรทานมาก ไม่ต้องไป น, นึกหาบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นนี่ไม่ต้องพูดมากและก็ไม่ต้องคุยมากทําให้มันต่อเนื่องกันเหนื่อยแล้วนั่งยืนขึ้นทํายืนขึ้นทําเหนื่อยกันยืนแล้วเดินจงกรมเดินก่อเดินสการ์จะไม่เดินเดินไปหลงข้อเดินน้อยๆเดอกยวฉไม่ใฟ่น้อยนะเดินทางสั้นๆทางกุฏิถ้าหากมันร้อน เดินอยู่ที่เดียวก็ได้เดินอยู่ที่ น, นมันร้อนเตอร์เกียร์้ันคล่อง ก, กาหนดให้มันรู้จริงๆเนี่ยหมุนตัวเองอยู่ที่นี่เลยให้กําหนดมันไม่ใช่ไปแท่งจ้ออยู่ตรงนี้ก็ไม่เอาทำให้มันสบายแต่เพียงให้รู้สึกตัวเท่านั้นเมื่อทาอย่างนี้เราก็นั่งลบนั่งลงแล้วก็ทํามัน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 ไม่จะหับตาเอาเข้ามามกับเข้าไปในปากเราได้วจริงจมันจะไม่หลงเอาเข้ามาใน้องจมูก้องหอมันจะไม่หลงไม่ลืมอย่างนั้นแหละตั้งใจมันก็เข้าปากนี่ไม่ตั้งใจมันก็ไม่เข้าปากมันจะไม่เอาไปใส่ที่อื่นมันจะไม่หลงไม่ลืมมันจะเห็นชัดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ต้องไปเรียนเอากำพีวิเนยที่ไหนเพราะมันมีในเราตัวปัญญาตัวนี้ะตัวสติตัวนี้หรือตัวสมาธิตัวนี้มันมีอยู่แล้ว ดน้นจึงว่าช่วระยะเวลาสั้นในระยะหกเจ็ดวันเนี่ยต้องทามันจริงจริงและก็ต้องปฏิบัติจริงๆเพื่อให้มันรู้จริงๆถ้าไม่รู้ <c oughs> นี่ว่าเราก็ต้องเสียเวลาลูกพ่อเคยทดลองมาแล้วอันที่กําหนดเจ็ดวันเด็กน้อยเนี่ยปฏิบัติไม่เกินห้าวันรู้จริงๆเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องนรกสวรรค์ เลือกงามยามดีเนี่ยเขาจะไม่ปวเด็กน้อยกสร้างคนแก่ก็จัดแต่คนแก่บางคนก็สิบวันสิบห้าวันยังรู้เบื้องต้นเนี่ยแต่พวกมาทชินี่คงจะเคยผ่านการปฏิบัติมาแล้วคงจะรู้แล้วบางคนเรื่องรูปเรื่องน้ำเรื่องรูปกทำนา้ำทำเรื่องลูกโลกน้ำโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาเรื่องสมมุตินีิยขศาสนาพุทธศาสนา บาปบุญนลกสวรรค์ น, นี่คงจะรู้มาแล้วเป็นบางคนบางคนอาจได้ยินในฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังจดจำเอาอันนั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เมื่อไปเข้าสังคมแล้วก็เอาแหละบัด น, นั้นน่ะเดือดร้อนเป็นอนั้นเพราะเราเสื้อตัวเองไม่ได้ถ้าหากความรู้อันนี้เกิดขึ้นแล้วมันเสื้อมั่นในตัวเองละได้เรื่อง ตึงเซติดมือนเมาเนี่ยละได้จริงๆหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ระยะนั้นหลวงพ่อติดบุรีหลวงพ่อยังสุบุรีอยู่ไปปฏิบัติธรร ม, มาแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินใครแล้วพูดให้ฟังเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็เลยรู้ทันทีคือข้าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายกําลังเที่ยวเข้านี่มันเป็นทุกข์ทุกข์กอันนี้แก้ไม่ได้อันนี้แล้วคืนน้ําลายลงไปในคอจกลับไปทุกข์ แล้วกินเขายังมีน้ําไปเอาของสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรมาทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยมันเข้าใจยางไงกนะจริงหรงืเล่าิกได้จริงจรงเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้นี่แหละเลิกได้เรื่องบุหรีนุสุรากันตายเฮโรอีนสินเทีอนเหล่านี่ยละ่ะไม่แตะต้องจริงๆเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นะเป็นทุกจริงจริงอันนี้ไม่กินไม่ได้มันตายท่านเพราใจอาหารข้าวนั้นไม่กินไม่ได้ตาย จำเป็นต้องกินประทังเพื่อให้ชีวิต ส, ส่งอยู่ได้เลิกได้จริงๆเรื่องนี้เมื่อรู้จักทุกขังอนิจจังนาตาลเลี่ยเลิกได้นึ่งคนที่ยังเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะ่ะไปว่ารู้จํารู้จักเพราะการรู้จับรู้จํารู้จักไม่ใช่ดูแจงรู้จริงจึ ง, จงเลิกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นจินตยานผมรู้ซะนิดหนึ่งปฏิบัติไปโอ้มันเป็นทุกข์ได้อย่างนั้น แต่บรรเห็นว่าเป็นเป็นทุกข์เท่านั้นมันไม่ได้เห็นตัวสภาพภาวะทุกข์จริงๆคนนั้นจึงเลิกไม่ได้แปลว่ารูเข้าอันนั้นในส่วนรูออกรูเข้ากรมรู้จึงมีการรูเข้ารูออกให้คนอื่นแนะนําิมพ์สอนอันนั้นก็ดีแต่ไม่ต้องเจริญสติแบบนี้ก็ได้ะพระทันเทศแล้วบอกว่าอบา ย, ยมุกสูบฟิลเจนกันตายเฮโลอีจะเขา้ามาได้มุ่งถึงอบบนี้ หลวงพ่อรู้อันนี้เนยะหลวงพ่อรู้หลวงพ่อเป็นคนมักทําบุญบ้านประจำปีมวนบุรีแล้วก็เอกมาไขพระไปเคี่ยวอันนั้นว่าเป็นบุญอันทูลจริงหลวงพ่อเข้าใจโอ้นี่มันเป็นบาปแล้วเอากิเลสไปให้คนอื่นแล้วตัวเอายังไม่พอเอาไปให้คนอื่นพอดีหลวงพ่อกลับเข้ามาถึงบ้านหลวงพ่อทำหลวงพ่อไม่ต้องการแล้วเรื่องนี้ยเขาก็หลวงพ่อเป็นบ้านี้ทําผิดขนมทำเนียมแต่เป็นถูกแล้ว ผิดขนบ ร, รมเนียมประเพณีจริงๆอันนี้แต่คนอื่นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้แจ้งแล้วเนี่ยจะไปเสื้อใครที่ไหนมันผิด ก, ก็มันผิดของเขาแต่มันทุกของเรารมันทุกของเราเพราะพระพุทธเจ้าท ส, สอนให้เลิกละจากามชั่วทั้งพวงหรืออบาร ย, ย ม, มุกทั้งพวงนี่นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเลิกละได้จริงๆลพอเลิกลได้ในช่วงระยะนั้นหลวงพ่อมีเรียนคาถาปากผี เรียนคาถากันปืนกันมีดกันพา้าพ่อลงพ่อเป็นคนเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้ต้องมีครูบาอาจารย์ดีๆที่ไหนก็ต้องไปศึกษาเราเรียนเคยพูดให้คนฟังหลายคนมนุนคงคงมีดคงพา้าอมทุรีทุรีคอกูมีแผ่นทองกั้งพา้าสันหน้าภากแกนปันหินตีนกูแกนปันเหล็กไปเยียบน้ำมากระปากข้าว คนแข้งกระดูดน้อยๆ น, นี่แล้วรูปลงคอตัวเองไม่มีอะไรตกใจสลดลงเลยโอ้ยสมัวตายเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักสมมุติสมมุติพูดเท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้คือว่าคนเป็นพวกคนติดอันนี้ไม่รู้จักเครื่องรางของขังศักดิ์สิทธ์ต่างๆไม่รู้จักอันใดจะมาศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่มีเลยในโลกนี่แล้วก็มลใส้หนังบางฟัน เอาหนังเข้าท้องคนเนี่ยบางฟันคนเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อสอนท่านไปเรียนมาจากคำเรพอดีหลวงพ่อรู้และหลวงพ่อว่าให้อาจารย์โอ้จะเอาหนังเข้าท้องคนมันตายจากการฆ่าคนนี่มันมันมันเป็นอนาันตินีกบมันบาปหนครับฆ่าผมดีกว่าถ้าอาจารย์ดีเอาเอาเลยโออาจารย์นี่ไม่รู้จักสมบุติ์มาสอนคนมาจะรู้ได้ทำไหมอาจารย์ไม่พอจะทาลองดู กำหนดเขาสามวันเจ็ดวันเราก็ให้เลยมันก็ไม่เข้าได้อันนี้ซื่อว่าหลวงพ่อก็เลยพูดให้อาจารย์ตรงๆถ้าจะเอาหนังเข้าทองผมแล้วก็ต้องเอาไปเผาไฟเอาไปต้มใส่ใบเผื่อใบมันหรืออ้อมคิ่เด็กมากินเข้าสทางปากได้แล้วออกทางตูดได้ครับจะเอาเข้าในทื่อื่นนะไม่ได้รับรองได้ครับว่าอาจารย์ไม่พอใจพูดความจริงให้สังคนมันไม่ชอบ อันนี้สื่อว่าหลอกลวงหลอกลวงตัวเองได้ยังไม่พอหลอกลวงคุณแต่ไม่ใช่เขารู้นะเขาไม่ได้แกล้งหลอกลวงแต่เขาทําไปเพราะความไม่รู้อืมและบัด น, นี้เรื่องไปนั่งกรรมฐานหลวงพ่อรู้จักสมมุติแต่ตอนนี้ต้องเราข้ามไปข้ามไปหลวงพ่อเจริญสติจิตใจหลวงพ่อเปลี่ยนหนักเป็นเบามาแล้วอยาักกาหยึดมั่นถือมันหลวงพ่อรู้จักเป็นรู้จักมาแล้วตอนเ้า ตอนเร้าเหมือนการแต่เศร้าคนละวันกันหลวงพ่อรู้โอ้เขาไปพูด ก, กับผีก็เขาไม่รู้ผีอยู่ในเขาเองเขาไปพูด ก, กับเทวดาโอ้เขาไม่รู้เทวดาอยู่กับเขาไม่เองเขาไม่รู้เขาไปติดความสงบอยู่ความสงบแบบนั้นไม่ใช่เป็นหลักพุทธศาสนาความสงบแบบหลวงพ่อรู้เนี่ยมันเป็นการสงบโดยที่ว่ารู้แจ้งรู้จริง ความสงบไปว่าไม่สงสัยไม่เดือดร้อนอันความสงสัยแบบนั้นมันสงอความสงบแบบนั้นมันสงสัยตายแล้วเกิดไหมตายแล้วไปตกนรกไหมตายแล้วไปสวรรค์ไหมตายแล้วไปนิพพานไหมนั่งสงบคืออยู่นี่หลวงพ่อทาได้สิบสองตัวโมงทาให้ตัวแข็งเนี่ยหลวงพ่อทาได้ใครต้องการหลวงพ่อสอนให้ไม่เกินสามสิบวันเรื่องเข้าตัวแข็ง หลวงพ่อเคยทดลองมาแล้วไม่ได้อวดดีนัเนี่ยหลวงพ่อรู้จักวิธีทำคนมีดีแล้วยังเอามาพูดให้ฟังอันคนอวดดีนั่นมันไม่รู้ก็เลยพูดไปอย่างนั้น ต, ต้องทําอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าคนไม่รู้ขาดคิดดนเดาเผาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นไม่รู้แก้ไม่รู้จริงเป็นการขาดคิดทําถึงสามสิบวันและเดือนหนึ่งเนี่ยได้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งทําเคยทํา พูดโธกระามอรหังของยุคอะไรกระทาแต่ทําแล้วมันนั่งสงบเย็นสบายใจอันนั้นก็นสบายสอนได้เร็วคนนั้นแต่ว่าสงบแบบนั้นมันยังมีความสงสัยหรือบางทีคนอื่นมาพูดให้เราแล้วมันต้องหาวิธีหลบหลีกเนี่ยมันเป็อย่างนั้นชอบชอบหนีจากสังคมที่เดือดร้อนสงบแบบนั้นกับไม่ใช่เป็นสงบแบบที่หลวงพ่อพูดนี้ สงบแบบหลวงพ notes, ่อ mm พูดเนี่ยใครจะพูด <innovations> ว่าอันั้นเธอทําผิดอัมันก็เฉยเพราะเราทําถูกแล้วเขาจะคัดค้านก็เรื่องมันจะสงบไปแบบนี้สงบด้วยการเห็นแจ้งสงบไปคนละเรื่องกันดังนั้นการปฏิบัติข่าวนี่จึงว่าอยากให้ญาติโยมเนี่ยเพื่อนที่ถูกตำหนเองก็ก็ตามและใครใครก็อยากให้ตั้งใจปฏิบัติมาให้พูดให้ปุ้กันมากนั่งทำ นอนทำยืนทำการทำจังหวะนอกจากนั่นก็เดินจงกลมเดินจมกลมก็ยืนเดินแล้วก็ก้าวหน้าถอยหลังยืนทำอย่างนี้ก็ได้นถ้าดนอย่างนี้ก็ต้องอดกก็ได้ไม่อด ก, กดบางตรงๆอย่างนี้ก็ได้เอามือขัดหลังนี้ก็ได้เพราะเรายืนอยู่คงที่ทําทำอย่าง น, างนี้ทำอยู่ให้มันติดต่อกันต่อเ น, นือ่องกันเราไม่ต้องพูดคุยอะไรมากและถึงระยะเวลาแล้วก็ต้อง จะมีอาจารย์ไปถามให้ช่วงระยะเราเป็นอะไรเจ็บหัวหรือบุนศีระหรืออะไรจะมีอาจารย์ไปค่อยแก้ให้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและหลวงพ่อเพียรก็มาแล้วหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อเพียรกับการท้องเป็นคนไปถามพระมกำลังมุนอะไรเจ็บที่ไหนจะเป็นอะไรหลวงพ่อจะไม่ไปหลวงพ่อจะคนมาพูดให้ระยะเวลากรำหลังทานอาหารนี้ถ้าคนใดบุญศีระ แปว่าเราเพ่งเราดูจ่อๆอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากนี้ น, นั้นมันเพ่งไม่ต้องเพ่งทําสบายถ้ามันมึนศีรษะมึนหัวมึนที่ไหนก็ตามแหละหนักกกหนกใจต้องมองไกลๆทําจังหวะต้าทําเล่นๆทำํำแรงๆอย่างนี้แหละทำลํำแรงมันจะทายออกไป ท, ทันทีเลยมองไกลๆแล้วอยากจะกาหนดให้มันมึนศีสัม มือหมอไม่ต้องกำหนดกำหนดแสงตาไก่ๆแล้วก็ให้มันรู้จุดๆนี้มันจะคายออกไปนะคว่ำมึนน่าจะหายไปสีนิดๆสีนิดวันนี้ถ้ามันหนัก อ, อกมันเนี้ยหนัก อ, อกก็เหมือนกันนัก อ, อกก็เหมือนกันหนัก อ, อกแล้วก็มองไก่ไก่บัด น, นี้จิตใจมันหวิวไปไกลได้บัด น, นี้มันรู้นั้นรู้นี่จิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงทางที่ไม่ดีแล้วนะเบ๊จิตใจเราไม่เป็นปกติบัด น, นี้ อันนั้นเป็นเราเราลืมตัวแล้วไปเรามองไปคนตัวเนี้ยกูได้รู้อันนั้นอันเนี้ยมันจะคลายคลายคือมันลืมตัวไปอันนั้นกลับเข้ามาหาตัวเราตัวเนี่ยกลับทําให้มันสซ่ามันจะวางความคิดอันนั้นมันมีอารมณ์จูงไปเ่อเรารู้อย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นมันก็จะค่อยวางตจนกลับเข้ามาหาตัวเรามันไม่กลับเข้าแล้วกลับออกอารมณ์ที่มันจะทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยทานให้มัน พอดีพอดีทานเนี่ยมันอิ่มไปคืออาหารอะไรทานไม่พอใจเลยนะอาหารเราทําวันนี้อย่างนี้ทําวันนี้อย่างนี้อันนั้นมอบให้คุณอริน<อ>ให้คุณอรินเป็นคนติดต่ออาหาราพวกนักปฏิบัติต้องการอาหารอย่างนั้นนะครับคุณนรินก็เป็นคนติดต่อคือเรื่องอาหารให้เป็นหน้าที่ของคุณอรินติดต่อวันละกี่ค น, นอาหารรับประทานอาหารต้องจ่ายเงินตามวันละกี่คน จะกำหนดไรคือวันใดเท่าใ ด, ดเลยคุณอดินรู้ ก, กําหนดแล้วก็เขาก็มารับเองนไปซื้อไปมาทําให้พวกเรากินสบายกินแล้วข้าวอ่ะกินอาหารแล้วคัวยม่จานไม่ต้องล้างเลยยกไปเลยให้เขาทําแต่ว่าขอให้พวกเราได้ทํากันจริงจริงจังๆให้มันต่อเนื่องจริงๆแต่ว่างานสัญญาลักขังตอนเช้าตอนเย็นไม่ต้องใครไม่อยากทำนะํำก็แล้วไปคือบังคับบรรัญชาไม่ได้เรื่องนี้ทาด้วยใจจริง ถ้าคนใดลักการลักงานลักหน้าที่ลักตัวเองต้องทำคนใดไม่ลักการไม่ลักงานไม่ลักหน้าที่ไม่ลักตัวเองทําไปตามสังฆองทำไวคือก็ได้ไม่ผิดที่หลวงพ่อพูดนี่พุทธคมณจริงใจในสมัยหลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมะกับสํานักอาจารย์พระเนนยี่สิบสามคนแล้วก็ บ, บิยมห้าคนด้วยกันไปปฏิบัติ ไปมีการขอกรรมาฐานกันทั้งนั้นแต่ไม่เหมือนกันแต่มีเพื่อนคนหนึ่งรักหลวงพ่อเพราะว่าอะไรอะไรก็จินด้วยกันนั่งนอนด้วยกันแต่เขาเป็นรุนพี่หลงพ่อหลวงพ่อเป็นรุ่นน้องเขาคือหลวงพ่อจะรู้จักการทํามาหากินกับคนนั่นแหละแนะนําการทํามาหากินการซื้อการขายติดต่อคนอย่างนั้นอย่างคนนั้นนยพอดีไปปฏิบัติธรรมมาก็ไปด้วยกันอีกแล้ว ไปไกลกันกุติเพราะมันเป็นท่งนาไกลกันเดี๋ยวก็มาแล้วหมาคุยคุยกันเรื่องนั้นเดื่องนี้โอตายแล้วอย่างตายหลวงพ่าตายแล้ ว, ลรลวเราจะมาปฏิบัติธรรมจะมาควนคุยอยู่อย่างนี้ก็หลวงพ่อ๊จะทํำยังไงหลวงพ่อคิดได้เอถ้าจะคุยกันอย่นี้เราไม่มีเวลาถ้าจะบอกเขาไม่ให้มาเขาก็เป็นรุ่นพี่เราแบบนี้เราจะทํำยังพอดีหลวมันมองเห็นเหมือนท่งนา พอดีเห็นท่านมาหลวงพลงเอามาเดินมันร้อนมันทุ่งนามันร้อนลงพก่อเดินอยู่ทุ่งนาจังนี่เนี่ยท้าปกหัวน้อยเดินเรามาแล้วก็นั่งอยู่ในห้องบันไดนั่งนั่งข้างบันไดเลือกบันไดแบบนี้บันไดจะขึ้นกุฏิแล้วก็นั่งย่อคอยให้หลวงพาไปหาหลวงพ่อแม่ปานไปร็จเขาใช้ทำอย่างนี้เดี๋ยวน้อยก็ตามเองตัวเขานั่งอยู่ลงแต่เรื่องของเขาไม่ใช่เรือของเรา กำหนดตัวเองอยู่อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาแวะไปหาเขาเออไปแล้วหายเนื้อหลวทําอย่างนี้นะเนี่ยไม่เกินสามวันหายหน้าไปเลกค น, น, นก็ไม่มาหาว่าหลวงพ่อนแต่ไม่ต้องพูดเรื่องจะไปเอาจิตเอาใจอย่างนั้นน่ะเก็น์อกเชิงใจใคนั้นไม่เอาหลวงพ่อทำคนเดีย ว, ว ก, ก็แล้วเลิกกันแล้วอย่างค่อยๆคุยกันตับสมเข้าใจกัน จำนวนพระเนรยี่สิบห้าองค์รู้ไปคนละเรื่องกันเลยหลวงพ่อต้องไปคนเดียวมีโยมห้าคนผู้ชายสองผู้หญิงสองก็ไปไม่เหมือนกันหลวงพ่อนี่ไปไม่เหมือนเขา้าเพราะหลวงพ่อไม่ได้ทําเหมือนเขาเนี่ยทําตั้งใจทําจริงๆเนี่ยทําเพื่อข่มเข้าใจตัวเองศึกษาตัวเองเนี่ยหลวงพ่อเคยทำกรรมฐานมาตั้งแต่เมื่อเป็นเนพุโทโพ โอ้โหหลวงพ่อเคยทำเนีนับหนึ่งสองสามถึงสิบนับจากสิบลงมาถึงหนึ่งหลวงพอ่อทำมาแล้วนับทวีขึ้นไปถึงยี่สิบนับจากยี่สิบลงมาถึงหนึ่งหลวงพ่อทำแล้วต่ให้ทุกกับจังหวะหายใจเข้าหายใจออกฮ <c oughs> องยุบนี่หลวงพอ่อทำมาเป็นเวลาแปดปีดีแต่มันไม่รู้อันนี้แต่มันก็เป็นผลจากการทำสิ่งนั้นมากรับไม่รู้หลวงพอ่อก็ไม่รู้แต่ พอดีมาทําอันนี้ขึ้นมามันไม่หนาแต่บรุรกหลวงพ่าทําจริงๆมันเลยรู้รู้ก็ไม่รู้อื่นไกลน่ะรู<ม>เร้เรื่องรูปเรื่องน้ำรูปธรรมน้ำธรรมนี่เนี่ยบางคนเขาไปรู้ใต้ดินรู้ใต้น้ามหาสมุทรบางคนเขารู้อย่างนั้นบางคนเขาไปรู้เทวดารู้เรืองสวรรค์และตัวเองทํำไมจึงไม่รู้อันนั้นของไม่จริงเพราะเราไม่เห็นใจเรานั้นเองใจเรามันออกไปหลอกลวงเรา พอดีมันคิดขึ้นมาวูบเห็นมันไม่มันไ ด, มนไมได้มันไม่ได้ไปร อ, อกเรานะมันมาดูที่ตรงนี้พอดีรู้อันนี้แนะล้วหลวงพ่อก็เลยหายเลย <c oughs> ผีหลวงพ่อก็ไม่ต้องไหว้เทวดาหลวงพ่อก็ไม่ต้องไหว้ที่หลวงพ่อยกมือกับพวกท่านถามอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้ไหว้พวกคุณหลวงพ่อไหว้หลวงพ่อเองโอ้เขาทําดีเราต้องทําดีเท่า น, นั้นเองหลวงพ่อเห็นหลวงทำต้องเห็นทำทําดีอัน โอ๋อทำมากคือการกระทำนีเองเนี่ยทำดีเขาลบตัวเองอั น, นเขาลบตัวเองไม่ใช่ยกมืออย่างอาจารย์มัฒนาอยู่เนี่ยยกมืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวพ่ออาจารย์มัฒนายกมือหลวงพ่อเขาลบตัวเองโอ้เราทำดีเลยคนนั้นนี่ว่าเขาลบทำเห็นทำรู้ทำเข้าใจทำเข้าใจอันนี้พื้นๆเนี่ยแล้วก็เลยเลิกละจากควมเบียดเบียนอิจฉาเล่ห์เโกหกหลอกลวงมันมันเลิกได้ มันไม่เป็นทํามันเลิกได้มันเป็นอย่างนี้นื่าอยากให้พวกเราได้ปฏิบัติเกิด ค, ความรู้ได้สัมผัส ด, ด้วยตนเองหลวงพ่อเลิกละได้จริงๆบุรีนี่หลวงพ่อทิ้งแรกหลวงพ่อติดบุรีนะเป็นยากระป๋องหลวงพ่อซื้อยากระป๋องข้าวนั้นเหมัอนใกล้ๆกับเวียงจันทรข้าไปเวียงจันไปมาหาสู้กันนี่สบายคนสู้บุรีขนาดนี้อย่างบ้านอาจารย์สุดสีคุณนะ่ะคันถ้าเราไม่มีคนสู้บุรีกินมากกว่า ที่มีแรงมันติดมันมันขนาดนั้นพอดีรู้ทุกแล้วก็เบื่อเลยเหม็นเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ต้องถามไม่ต้องถามใครแล้วคนติดบุหรี่ไม่ต้องมาใกล้ๆหลวงพ่อก็ได้เหม็นขึ้นมาเหม็นเลยเหม็นเมื่อใครที่มันติดออกมาเหม็นมันมันเหม็นจริงๆบุหรี่อันนี้นะเลิกได้จริงๆเด็ดขาดจริงๆจริงว่าไม่กลัวผีไม่กลัวเทวดา กัวแต่คนจะมาตีเอาปืนมายิงเอาค้อนมาตีเอามีดเอาผ้ามาคว้านตัวนะ่ะผีนี่หลวงพ่อไม่กลัวไม่กลัวจริงๆริงในตัวหลวงพ่อเลิกละได้การกลัวผีลกลัวเทวดาหลวงพ่อเลิกละได้พเพราะหลวงพ่อรู้สมมุติจริงๆนจริง น, ะ น, นี้เรื่องศาสนานี่เหมือนกันโบสถ์วิหารพระพุทธรูปนี่หลวงพ่อรู้จริงๆริหลวงพ่อเอาเงิ น, นเ ง, งินสดเงินขันเงินหางหลวงพ่อเคยไปเมืองลาว เอามาลพระพุพทธรูปนึกว่ามันได้บุญมันเพิ่มทุกข์ขึ้นให้เราไม่ใช่เราประบัติเราจากเมื่อมาทําแล้วไปไหว้ที่นี่กลัวคนจะมารักอีกแล้วเนี่ยหราอว่ามันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเราโอ้ยนึกว่าเราได้บุญเมื่อทําไปแล้วเราได้บาปเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บาปนั่นเองแล้วก็สร้างบาปให้เราที่ปฏิบัตโอ้มันเป็นอย่างนี้ห ร, รือเพราะกระดึกดับได้เดี๋ยวนี้เขาจะาไปตายกินเนคเอาไปเน่ยไม่ไม่สงทนะัย พระองค์หนึ่งราคาขาวนั่นเงินแปดร้อยบาทไม่ใช่น้อยพระคัตมัดเท็จเขาว่าปืนยิงไม่เข้าเอามาค้องคอไปไหนมาไหนลราโอ้โหเอามารักษาศูความจริงเรารักษาพระพระไม่ได้รักษาเราเลยแต่ก้อนเรานึกว่าพระรักษาเราความจริงเรารักษาโอ้มนก็นดีเอาจิตเอาใจไปฝากฝังไว้ที่ันก็นดีเป็นคนลืมตัวคนลืมตัวนี่เหมือนกับคนตายแล้ว ท่านสอนหอนูเหมือนกับคนไทมันเน่าเหม็นเปียกเปะอยู่ภายในใจิตใจรู้แล้วก็เลิกละได้จริงๆหลวงพ่อเรื่องนี้หลวงพ่อจริงว่าพูดที่ไหนหลวงพ่อต้องพูดอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคําพูดหลวงพ่อไม่เปลี่ยนแปลงคำพูดอย่างนี้ตลอดเวลาที่คําพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นคําพูดของพระเจ้าเจ้าทรายทิพทะกุมารอยู่ในประเทศอียิปต์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คําพูดนี้เป็นคําพูดหลวงพ่อรู้เห็นเข้าใจและได้สัมผัสได้ เป็นอย่างนั้นจริงจริงก็เข้ อ, อย่างนั้นมันเลยไปตรงเอาขับคําพูดของเจ้าสายีิริธรคือพระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียขึ้นหน่อยการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าให้รู้ทุกให้รู้จั ก, จกเหตุให้เกิดทุกและรู้จักสมุทฐานของทุกรู้จักวิธีดับทุกโอ้มันเลยตรงกันจริงๆโอ้ใครก็รู้อย่างนี้ท่าธรรมจริงถ้าทําถูกต้องอุปมาให้ฟังเมื่อกลับขุดน้ํา ถ้าไปขุดเนินเขาสูงๆไกลไปน้ำขุดลึกเท่าใดก็ไม่ถึงน้ำแล้วขุดจนถึงคื น, น้้ำทะเลบนอาจจีนมีน้ำขุดจนตายเนี่ยบางคนไม่ถึงน้ำถ้าระบาขุดยังริมใกล้ๆน้ำเลยเนี่ยประมาณจะคืน่นน้ำออกทันทีอย่างนั้นพวกเรามาปฏิบัตินี่กับคยคัๆเพราะพูดให้ฟังอย่างตรงไป ต, ต, ตรงมาไม่ไม่เอียงไม่เป็นอคติ แต่คนอื่นนังจะรู้เรื่องนี้เพราะการเจริญสติวิธีไหนไม่รู้เอสหลวงพ่อรู้การเจริญสติแบบนี้มันก็รู้เรื่องนี้ขึ้นมาหลวงพ่อจึงว่าโอที่เราเคารพรับถือเนะี่ยไม่รู้ต้องศึกษาไปก็ไปศึกษากับอาลาดาบทจนได้สมาบัตแปดออกจากอาจารย์มาแล้วก็มาทําทุกกากิริยาหาทางไปก็ต้องสแสวงหาทางจนบรรลุ พระพุเจ้ากระทาเกือบตายเนจะ็ดปีเราเคยได้ยินไหมไม่กินข้าวไม่กินน้ําเพราะมันมีกิเลสพอกินข้าวกินน้นํานี่เนี่ยเข้าใจคิดออกอันนั้นเป็นการคิดเอาเองอันนั้นกับไม่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ากินมากขำป้อมากโตอมอพวกปัญจวคีตังห้าเห็นว่าโอ้สมณะโคดมไม่ได้เป็นสมณะโคดมนะทีิธาดเนี่ยขายผมเพียรเวียน ม, มามากๆแล้วไม่ได้สําเร็จเป็นคนก็ห น, นีไป อันนี้ก็กิกนข้าวไปคนเดียวไปกินมกขาป้อหมักตอมอไปพบเอากับนางสุ ด, สดาเอาเข้าไปปวงหรวงเทวดานี้การไหว้วนเทวดามันมีมาอยู่พอดีพระพุทธเจ้าไปกินข้าวนางสุ ด, สดาแล้วก็เลยเอาขันไปวางไว้อย่างที่น้ำเลยนี่ไปวางที่น้ำนไปวางก็เลยหมดทางเนี่ยถามนางสุ ด, สดาว่าจะเอาเข้าวจะถวายแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดเนี่ยพวกท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นางบาถวายทั้งหมด พอได้กินข้าวเสร็จแล้วยังพวกเรานั่งอยู่เนี่ยก็เลยเอาขันไปอธิษฐานที่ดิู่นนี้ถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสันลูกเป็นพระพุทธเจ้าข้าเกลียดตายถ่ายเช่นนีวางขันลงผิวนั้นถ้ามันควรกระแสขึ้นไปวงังสังคมคนเนิ่นแต่หาเช่นน้ำงดนําเลยอยู่ที่นีน้ไปถึงที่สุดตรงน้ำํำตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสรนูกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าวางนั้นมันไหลไปตามผิวนั้นวางแล้วมันควรกระแสของน้ำทุกฝ่ อันนั้นเป็นคําพูดเป็นคําสมมติคือเรามาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยจิตใจคนมันลอยไปเราจะกำหนดมันกำหนดมันกําหนดมันเรื่อยพอดีมันคิดกระลุก็เลยไม่ไหลไปตามผมคิดคือไม่เข้าไปในควมคิดนั่นแหละถ้าเข้าไปในความคิดแล้วมันก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวบไปก็ไหลไปตามการะแสของมพอดีมันเห็นควาคิดปุ๊บมันจะตัดความคิดมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้า พอที่คิดปุ๊บมันถึงปั๊บมันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้แหละตอนมันคิดปุ๊บถึงปั๊บนี่แหละไม่นานมืดจะเป็นสว่างขึ้นมาหนักจะเป็นเบาขึ้นมาขาอดำจะเป็นขาวขึ้นมาความเป็นพุทุสวนจักรากฏเกิดขึ้นให้เราเป็นอะไรบุคคลได้ไม่ต้องถามใครที่ไหนอันนี้ผู้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองปฏิบัติเองจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นเองความเป็นเองนั่นแหละ มันมีแล้วในผลผูกคนไม่ยกเว้นที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวต้องการเป็นผลของการเจริญสติการรู้จักตัวเองนี่เองแต่เป็นขัน้นต้นของเราต้องทําำจริงๆระยะเวลาสั้นที่พูดนี่คือจะเอาเงินทองไปซื้อเอาไม่ได้ควรเป็นทางจิตใจนี่เงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไปซื้อไม่ได้ไม่มีตลาดขายและก็ไม่มีคนขายอยีกด้วยเนี่ย ขายเรื่องไม่มีคนทำพระพุทธเจ้าเองมาเนี่ยท่านก็นจดสีทางให้ปฏิบัติเท่านั้นเองและมีความรู้สูงสูงไปแรกเอาคนอื่นพูดให้ฟังได้ไม่ ไ, มได้อย่างพวกนี้เรียนมาแลนะ้วปริยาจีปริยาโททํานั้ น, นแถวหน้านี่คนมนะุงเถิดอย่างคุณจีนะครับเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยก็เรียนสูงพอสมควรเนี่ยพวกนี้เเต่หลวงพ่อพูดเดชพัฒาาน์นี่คุณจีอาจจะไม่รู้นะไม่ไม่รู้นะอา จ, จารย์มาถนา จะต้องแปลให้ฟังจากการปฏารัติศาสนาต้องแปลให้ฟางปฏิบัติเก็บอูนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนล่า น, น, นั้นชื่อว่าการปฏิบัติธรรมะไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำราไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครที่ไหนให้ขึ้นอยู่กับเราเองให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้น่ะมันจะติดต้อกันเหมือนลูกโซ่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังจะเลื่อสติแบบนี้น่ะถ้าติดต้อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานนะเกินสาปีพระพุทธเจ้าทำเจ็ดปีทําต่อเนื่องกันมานะ หลวงพ่อทํามาตั้งแต่อายุสิบอปีถึงอายุสี่สิบหกปีเพ่อใดไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยเรื่มาทําอันนี้มันไม่พันพอปีพอเดือนเนี่ยหลวงพ่อจึงกล้าได้สาปีทําติดต่อกันเลยไม่ผิดเลยถึงไม่มากก็ น, น้อยเลยและยางกลางเอาปีหนึ่งอย่างเร็วที่สุดเอานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันสามเดือนเนี่ยต้องรู้เดี๋ยวนี้ระยะเวลามันสั้นเอาเพียงเจ็ดวันเป็นเป็นสมบัติของเราเวลาใกล้ถ ต้องรู้คนได้รูปนามแล้วรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกมีมีสองอย่างนะครับู้ทุกขังรู้อนิกจังรู้อนัตตาแล้วก็รู้สมมุติรู้ศาสนารูกพุทธศาสนารู้บาบุญจบพักต้นจบพักตนที่ตรงนี้ใครจะพูดอย่างไงก็ตามเพราะไม่ฟังเสียงนะแต่ฟังได้จบพักตนจบพักนี้แล้วมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นคิดอันนั้นอันนี้ เบาใจโล่งโปรง่งแล้วไปให้มันเป็นเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปแล้วมาแต่จิตใจมันยังยังสู้โทสะโมหะโลภไม่ได้เพราะยังไม่ได้รู้สมุฐานตัวนั้นแล้วเราก็ต้องปฏิบัติอย่างเดิมนี่แหละไปะทําจังหวะให้มันเรวขึ้นกว่าเดิมเดินก่อนให้มันเรวขึ้นกว่าเดิมมันคิดแล้วไปรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ทำไปแต่ให้กําหนดกรมรู้สึกอันนี้แหละจังวหวะเนี่เดินไปเดินมาทมําเรื่อย ผมคิดให้มันจะถูกสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าพอเดินมาคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมจะไปเพ่งมนะืนนะบ่จะไปเพ่งทำ เ, รเสร้ neuro. ทำเหมือนไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นนี่แหละทำเสรย้ยทำเหมือนแมวกับหนูหนูไม่จะอยากเห็นเอิบแมวไม่อยากเห็นหนูแต่ขอให้มึงออกมาแมวมันจับทันไม่เป็นทีแรกเหมือนกับหนูตัวเล็กเล็กแมวตัวเอิบแมวตัวเล็กเล็กหนูตัวโตโ ต, ต, ตหลวพ่อพูดผ หนูมันออกมาแมวไม่เคยกลัวหนูจับปุ๊บหนูมันวิ่งไปแมวก็ติดหนูไปอันนี้คมคิดมันคิดมันแล้วลเข้าไปในความคิดมันนู้เขามันไม่ยอมวางความคิดมันไม่ยอมวางเปรียบเทียบเอาหนคิดไปเป็นเรื่องเป็นาราวพอเดีรู้จักโอ้กูคิดแล้วกวางหนูกะวางแมวกะวางหนูกลับมาอยู่ที่เดิมวันนี้เอาเข้าให้แมวกินไม่ต้องบอกแมวทําไมมึงไม่จับหนูอย่ยไปพูดมา เอาเข้าวให้แมวกินแมวมันได้กินอาหารดีมันก็โตขึ้นโตขึ้นเหมือนกับพวกเรานี่แหละสร้างสติมากขึ้นมากขึ้นเหมือนพอดีบันคิดปุ๊บมันจะปั๊บทันทีเลยออแมวมีกําลังหนูมันซอกตายเลยพอดีบันเกิดคงคิดว่าปุ๊บเห็นปับ๊บอยากตายพอดีเห็นตัวนี้แหละจิตใจมันจะเปลี่ยนที่ตรงนี้เป็นที่ตรงนี้เองไม่ได้เป็นที่ไหนละไม่ต้องไปเป็นเห็นเทวดามาช่วย เห็นพระ อ, อินทร์พระุทธมช่วยไม่ต้องเสียนพอดีเป็นที่ตรงนี้เราจะรู้สมบัติพื้นฐานของพารียบุคคลรับรองได้อันนี้ร้อยเปอรเซ็นหนักจะเป็นเบาขึ้นมาทันทีใครก็ได้ที่ไหนก็ได้หลวงพ่อพูดให้ฟังต่อเตาเรื่องพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนี่เป็นในตำราเขาบอกไว้ว่าพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามประติในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันต้องเป็ น, น, ปนจนถึงที่สุด อาการเกิดดับพูดมันยังเป็นผลของภาคโซดาบันจริงๆอันนี้พูดอย่างนี้จะหาว่าพูดอวดอุตตะเล่มนุษย์สาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์แต่ไม่ใช่พูดอวดพูดของสิ่ให้ฟังแต่ทำอันเนี้ยมนุษย์ธรรมดานี่ไม่รู้ต้องมนุษย์คนมีปัญญามียานจริงๆยังรู้ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วหน้าตาเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วจิตใจอาจจะเป็นผีก็ได้ทำอันเนี้ยบุคคลที่จิตใจเลวร้ายเนี่ยไม่รู้ไม่ปรากฏ เพราะจิตใจไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจไม่คงที่เมื่อคนมารู้นี่จิตใจมันจะคงที่ขึ้นไปถึงที่สุด ข, ของทุกแต่ว่าพาะโสดาบันเนี่ยต้องเล่นเยอนั่นกลับไปกลับมาถ้าพูดตามหลักวิชาการ uh huh. นีว่าเล่นฌานเข้าสานแต่ไม่เล่นฌานเข้าสานไม่ใช่ว่าเหาะไปอย่างนั้น คือว่าทานไปนว่ารู้รู้ข้าวรู้ไปรู้มาเดินหน้าถอยหลังมาคิดมันเหน็ก็เห็นอารมณ์ตัวแจ้งชัดประจิตใจเป็นอย่างนั้นเอาแหละที่พูดเนี่ยเป็นการให้พรไปในตัวแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ต้องไปทำอาหารนะครับถ้ามันเหลือตักอย่าไปตักเก่งโอเก่งใจกินในนนนนห้มันจะแน่นผุ่งหุ่นละมันจะหิวมันไม่ดีคิดถ้าอาหารโอ้มัน มันไม่ไม่ถูกยังหวะก็ต้องพูดกับคุณอริน ย, ย่างที่พู้แลรกคุณอรินเป็นคนติดต่อเรื่องอาหาแต่ทีแรกก็เลยตัวที่ตัแวแรกให้คุณอรินเป็นคนคุมกําหนดเอามีกี่คนวันนี้ก็ต้องจ่ายจ่ายนะก็จะไปซื้อมาวันนี้ลดคนหนึ่งก็ต้องลดมาวันนี้เพิ่มคนขึ้นมาก็ต้องเพิ่มขึ้นมาแต่พวกที่คงที่ก็ต้องมีบางคนอาจจะลดบางคนที่อาจจะเพิ่มมาที่ให้ครบที่ผมเห็นวันนี้พอ นึกว่าพอทุกคนเคยเวลาแล้วตื่นขวาที่จะเปลี่ยนแค่นี้